ฉบับที่ห้าลงวันที่20พฤศจิกายนนะคะเขียนที่กรุงเทพฉบับที่ห้าจะมีใจความสำคัญอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามฟังกันเลยค่ะ บที่หเขียนถึงนายสนผู้บุตรเมื่อนายสนขอถอนคำเรื่องที่จะคิดกลับอ้อมทางอเมริกาและญี่ปุ่นอันหนึ่งเมื่อได้เขียนจดหมายฉบับที่สี่ไปถึงบุตรชายแล้วจางวางรำก็ออกจากฉะเชิงเราไปธุระทางเชียงใหม่นายสนกลับมาจากยุโรปยังไม่ได้พบกับบีดาแต่ได้เข้าทำการในบริษัท ไม่สู้พอใจอยู่บ้างจึงเขียนหนังสือฟ้องไปยังบิดากรุงเทพวันที่20พฤศจิกายนถึงเจ้าสนผู้บุตรจดหมายของเจ้าเขียนจากยุโรปขอถอนคำเรื่องที่จะกลับทางอ้อมฉบับหนึ่งเขียนจากชะเชิงเรา ฟ้องสมุแสงหัวหน้าในออฟฟิศของเจ้าฉบับหนึ่งนั้นข้าได้รับแล้วเวลานี้ข้ากลับมาถึงกรุงเทพยังจะพักอยู่อีกหลายวันมีเวลาที่จะตอบจดหมายของเจ้าจึงขอตอบทั้งสองฉบับพร้อมกันทีเดียวในจดหมายที่เขียนจากยุโรปนั้นเจ้าผูดจาดูเข้าท่วงทีขึ้นมากเพราะมีใจความมากในจำนวนคำน้อย หาสู้ใช้หน้ากระดาษเป็นทุ่งที่น้ำท่วมมีผักบุ้งโลงเหรงอย่างแต่ก่อนไม่จดหมายของเจ้าฉบับนี้ถ้าเป็นทองคำก็เนื้อเกือบหกก ร, รัตไม่ใช่ครึ่งก ร, รัตอย่างที่เคยเคยมาหนังสือที่ยืดยาวแต่ไม่ใครมีใจความนี้ถ้าจะว่าไปก็เหมือนกระชุนุ่นอ้วนโตเปลืองที่เปล่า น้ำหนักไม่กี่มากน้อยและราคาก็จะสักสองอัดรถกระมังธรรมดาผู้ที่เป็นพ่อค้าม้าขายควรต้องฝึกหัดการพูดจาให้เป็นไปตามวิธีที่ชอบอันเป็นวิธีสั้นจำง่ายที่สุดคือหนึ่งให้มีข้อจะพูดสองพูดออกไปข้อสหยุดพูดสามข้อเท่านี้เป็นพอ การที่จะลงมือพูดแต่เมื่อยังไม่มีอะไรจะพูดและเมื่อสิ้นเรื่องแล้วก็ยังไม่หยุดพูดนั้นอาจพาผู้พูดไปขึ้นศาลและโรงพยาบาลคนขอทานทั้งอาจพาไปไหนๆก็ได้เว้นแต่สุขติเท่านั้นในบริษัทของเราก็จ้างหมอความไว้ทำงานแผนกพูดมากกว่าอยู่ส่วนหนึ่งแล้วเสียเงินเดือนอยู่เดือนละหลายช่าง ถ้าดูเผินๆก็ค่อนข้างจะแพงอยู่สักหน่อยแต่ทำหน้าที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้บริษัทต้องไปขึ้นศาลอันเป็นที่ซึ่งถ้าใครเว้นได้ก็ไม่ควรเข้าไปใกล้กลายเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นบริษัทจึงยอมเสียเงินเดือนจ้างมาไว้เปรียบเหมือนไปเพชรบูรณ์ยอมกินยาควยนินไว้วันละสามเกรนดีกว่าจะปล่อยให้จับไข้พวกที่ไปเที่ยวโคราชบางคนกลับมาเล่าว่า ไปโคราชนอนกลางวันไม่ได้ถ้าขืนนอนเป็นจับไข้เพราะฉะนั้นอดนอนกลางวันเสียวันละสองชั่วโมงดีกว่านอนคราวเดียวกันตั้งสามเดือนอย่างเดียวกับถ้ากลัวความก็จ้างหมอความมาไว้เป็นแขกยามในทางความเสียทีเดียวดีกว่าปล่อยให้ขโมยขึ้นบ้านได้แต่การที่พูดมากนั้นก็มีเวลาที่สมควรอยู่บ้างเป็นต้นว่า เวลาเกี้ยวหญิงเช่นนี้จะพูดให้เรื่อยเหมือนขับรถยนต์ก็ชอบจะหยุดก็ต่อเมื่อแวะเก็บดอกไม้ตามทางอันหนึ่งเจ้าจะต้องจำไว้ว่าทำคมในฝักมันง่ายกว่านอกฝักทำฉลาดโดยอาการมันง่ายกว่าฉลาดโดยวาจาเจ้าจงปล่อยให้อายข้างโน้นมันพูดมากกว่าเจ้าพูดเองฟังมันพูด มากกว่าปล่อยให้มันฟังเราพูดเพราะคนที่นิ่งฟังนั้นขยายขี้เธอไม่ได้และอาการฟังยอบทำให้เจ้าข้างโ น, น้นนึ ก, กว่าตัวพูดเพราะเป็นการยอด้วยกิริยาไปในตัวดังนี้ดีนักมนุษย์เรามีมากซึ่งถ้าให้มีคนนั่งฟังนิ่งๆโดยอาการตั้งใจฟังก็คงจะพูดจนหมดพุง ใส่เน่าใส่หนอนมีอยู่กี่คดกี่คดก็คงจะสาวออกมาอวดหมดทั้งนั้นคำฝรั่งมีอยู่ว่าเงินพูดได้แต่ที่จริงมันพูดต่อเมื่อเจ้าของเป็นคนปากโป้งและถ้าเช่นนั้นมันจะพูดอะไรออกมาแต่ละคำก็ล้วนแต่จะบาดหูคนเท่านั้นส่วนความจนแบรนดแค้นนั้นก็พูดได้แต่มันจะพูดว่ากไรไม่มีใครอยากฟัง ถ้าพูดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยเกรงอยู่ว่าเจ้าค่อนข้างจะเอียงไปข้างเป็นผู้พูดมากกว่าเป็นผู้ฝังอย่างเดียวกับเด็กหิวไปนั่งกินโตะ๊ะมันมักอยากกินขนมกลางโตะ๊ะเสียก่อนซุปจะมาถึงธรรมดาคนพูดมากเหมือนเด็กที่ตะกรามไอศกรีมจมพวกที่หนึ่งอยากพูดคนเดียวอย่างที่จมพวกที่สอง อยากให้สำรับคาหวานเป็นไอศกรีมไปทั้งสองสำรับแกงเผ็ดแกงจืดยำใหญ่ยำยวนปลาแห้งแตงโมเป็นไอศกรีมไปหมดจนท้องหยิบฝอยทองเช่นนี้จึงจะสาแก่ใจการที่เจ้าตกลงมาทางที่ถูกรีบกลับมาทำการงานเช่นนี้ก็เป็นที่ชอบใจของขา้าแต่เจ้าจะต้องตั้งหน้าทำไปให้ตลอดเสมียนที่เข้าทางานใหม่ๆนั้นข้าด้เห็นมามากแล้ว ที่ในเดือนแรกตั้งใจทำงานจนเหงื่อไหลไขรย้อยด้วยกลัวว่าถ้าทำน้อยไปจะถูกไล่ครั้นเดือนที่สองออกจะอยากถูกไล่เสียให้สิ้นเรื่องจะได้ไปหางานที่อื่นซึ่งไม่สู้หนักนักต่อเดือนที่สามซึ่งสราบเพียงว่าวันละเท่าไหร่จึงพอที่จะไม่ถูกไล่ต่อไปก็ทำเพียงวันละเท่านั้นเมื่อข่ารับจ้างเป็นเสมียนอยู่ห้างแปดตา มีเพื่อนเสมียนด้วยกันคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าซุนเป็นคนอายุรุ่นบราวค้าวเดียวกับข้าแต่นิสัยไม่เหมือนกันด้วยเจ้าซุนคิดมั่งมีเร็วจนข้าหายใจไม่ทันดูเหมือนพรวดพลาดก็จะเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวแต่ไม่สู้ปรากฏว่าจะเป็นวิธีใดแน่กล่าวอยู่แต่ว่ามีลูกสาวเจ้าสัวคนหนึ่งมั่งมีนักตาพ่อตามใจจนดูเหมือนจะต้องการเดือนดาว พ่อก็สั่งมาให้จากเมืองจีนเงินทองจะต้องการเท่าใดเป็นไม่มีขัดแต่ลูกสาวเจ้าสัวคนนั้นจะเกี่ยวข้องกับความมั่งมีของเจ้าสุนตรงไหนหาสู้ปรากฏไม่ว่าข้างความคิดเป็นเศรษฐีในลัดนิ้วมือเดียวเป็นไม่มีใครสู้เจ้าสุนได้บางคืนเมื่อกินข้าวเย็นแล้วก็ลงมือคิดสคีมออกหนังสือพิมพ์รายเดือน ตั้งตนวางเขาการประมาณสองทุ่มครั้นเวลาสองยามการสำเร็จตลอดตามความคิดอันเฟื่องของเจ้าซุนว่าคนมาขอรับซื้อตั้งแสนคนโรงพิมพ์ทางานทั้งกลางวันกลางคืนหนังสื อ, อยังไม่พอขายผู้ที่ซื้อไม่ได้แสดงกิริยาอาการเศร้าหมองโศกะปริเทวะจนเจ้าซุนกลับไปวันรุ่งขึ้นเจ้าสุนตื่นสายจนแทบจะไปออฟฟิศไม่ทันเวลา ต้องรีบร้อนจนล้านหน้าแทบจะไม่ทั่วบ้างคืนเจ้าสุนไม่สู้เฟื่องในทางหนังสือจึงลงมือตั้งสกีมทําโรงพิมพ์ในเวลาประมาณสองทุ่มครั้นเวลาสองยามกระดาษตีพิมพ์มีอยู่ในใจเจ้าสุ่นกองสูงกว่าภูเขาทองแบบพิมพ์กรมสัมภาร์นอกกรมสัมภาร์ในและแบบเรียนกรมศึกษาทั้งปวงเจ้าสุนได้พิมพ์หมด ครั้นเวลาเจ็ดทุ่มสั่งเครื่องสตรีมแปดสิบแปลงม้ามาแล้วยังพิม์ไม่ทันผู้ที่มาว่าจ้างพิม์ไม่สำเร็จประสงค์กลับไปเป็นอันมากรุ่งขึ้นเช้าเจ้าสุนก็เกือบจะถูกตัดเงินเดือนด้วยไปทำงานไม่ทันตามกำหนดเหมือนคืนที่ออกหนังสือพิม์นั่นเหมือนกันเมื่อวันซืนนี้เองเจ้าสุนทราบว่าข้ามาพักอยู่กรุงเทพก็มาหาดูกแกลงไปมาก แต่ความคิดที่จะมั่งมีก็คงอยู่ตามเดิมบอกกับข้าว่าเดี๋ยวนี้ได้เป็นประธานกรรมการในบริษัทดงพระยาไฟทจก อ, อธิบายว่าเป็นบริษัททําแร่งเงินมีทุนสี่หมื่นช่างหุนละห้าพันบาทแต่เจ้าสุนกับข้าก็ชอบกันมานานถ้าข้าต้องการแชร์จะจัดให้ถูกๆเพียงแชร์ละเจ0ร้อยบาทก็ได้แต่ไม่ได้มากเพราะแชร์เต็มเสียแล้ว ฝ่ายข้าฟังดูมันไม่เข้าทีด้วยไม่เคยได้ยินใครว่าแร่เงินมีที่ดงพยาฝ่ายข้าก็ขอบใจเจ้าสุนและบอกว่าไม่ต้องการแต่เจ้าสุนจะยัดเยียดให้ให้ได้ว่าจะได้เป็นการสนองคุณที่ข้าได้เคยมีมาแต่ก่อนๆในที่สุดตกลงข้าก็ให้ยืมเงินสี่รอบาทเจ้าสุนก็ยิ้มย่องลากลับไปในโลกเรามันมีเจ้าสุนอยู่มาก คือคนชนิดที่ชอบหาเงินในหัววันละห้าพันช่างยิ่งกว่าหาเป็นบาทๆวันละห้าบาทคนชนิดนี้ถ้าเสียไม่ได้ก็ให้ยืมเงินเสียเล็กน้อยดีกว่าที่จะจ้างไว้ใช้ด้วยเวลามาทำงานมันคงค่อยๆ ย, ย, ย่องเข้าประตูออฟฟิศเหมือนลูกหมาที่ถูกไอ้ตัวใหญ่มันกัดมาใหม่ๆต้องหยุดเลียแผลตามทางร่าไปครั้นเวลาเลิกสิ กลับมีอาการผุนผันลุกจากเก้าอี้เหมือนกิริยาเสือที่โจนกัดเนื้อในที่ทําการคงมีคนชนิดนี้อยู่ด้วยเสมอเสมอและถ้าตามันเป็นไฟเจ้าของออฟฟิศก็คงต้องซื้อนาฬิกาวันละเรือนเป็นอย่างน้อยด้วยมันคงจะดูนาฬิการ่ำไปจนเครื่องจักแลลาละลายไปกับที่อันหนึ่งคนพวกนี้ต้องการให้หนุมานหรือใครใค ช่วยยึดพระอาทิตย์ไว้วันละสองชั่วโมงในตอนเช้าช่วยลากหรือว่าเติมแรงมอเตอร์ให้เร็วขึ้นอีกสองชั่วโมงในตอนบ่ายคนพวกนี้ถ้าไม่เปลี่ยนใจเสียก็ยากที่จะได้ดีแต่ข้ามีความหวังอยู่ว่าเจ้าคงไม่เป็นเช่นนั้นส่วนจดหมายของเจ้าที่เขียนมาจากชาเชิงเซาฟ้องสมุแสงนั่นข้าฟังดูแล้วมันไม่ถูกสักคำเดียว ข้าไม่ชอบฟังเจ้าพูดว่าเจ้าทํางานใต้บังคับสมุษแสงไม่ได้หรือทําใต้บังคับคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้เพราะคําที่กล่าวเช่นนั้นแสดงว่าเจ้าเป็นผู้มีสติไม่มั่นอีกประการหนึ่งการที่เจ้าชอบนายหรือไม่นั้นไม่ใช่ข้อที่บริษัทอยากทราบข้อที่ต้องการทราบคือว่านายของเจ้าชอบเจ้าหรือไม่ เรื่องนี้สอนได้ดีทีเดียวนะคะคือในสนเขียนจดหมายมาหาพ่อสองฉบับฉบับแรกเขียนตอนที่อยู่เมืองนอกว่าโอเคเปลี่ยนใจละไม่ไปอเมริกาละเพราะว่าไม่มีเงินพ่อไม่ให้ฉบับที่สองเขียนที่กรุงเทพคือหลังจากกลับมาจากเมืองนอกก็มาทํางานที่บริษัทของพ่อแล้วก็มาอยู่ใต้บังคับของสมุแสงก็เขียนมาฟ้องพ่อบอกว่าไม่ชอบหัวหน้างานแต่พ่อ ก็สอนลูกนะคะสอนมวยลูกว่าไม่สำคัญหรอกว่าแกจะชอบหัวหน้าหรือไม่แต่สำคัญที่ว่าหัวหน้านี่ชอบแกหรือเปล่าอันนี้คือสอนลูกตัวเองนะคะสนุกมากนะคะและดี่ฉันว่าตรงนี้นี่เป็นประโยชน์มากด้วยกับการที่พ่อแม่จะใช้ฝึกลูกโดยเฉพาะพ่อแม่ ที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะสปอยลูกหรือว่าตามใจลูกจนเกินไปเอาล่ะทีนี้จางวังรำจะอธิบายนะคะเหตุผลว่าทําไมถึงพูดแบบนี้แล้วก็มีการอธิบายว่าสมุตแสงเนี่ยเป็นคนยังไงสมุตแสงแกเป็นคนอย่างไรข่าสาบอยู่ตลอดข่าไม่ต้องการให้เจ้ามาบอกข่าผิดๆไปจากที่ข่าทราบด้วยตัวเองอยู่แล้ว แท้จริงแกเป็นคนใจน้อยหงุดหงิดง่ายๆทาเสมียนรองรองทำงานเหลวไหลแกคงคิดเอางูหลามรัดคอตั้งแต่ค่ำหนึ่งไปถึงเจ็ดค่ำแต่วันพระในเวลาที่ควรจะนั่งฟังเทศน์นั้นแกมักจะกลับนอนตรึกตรองว่าจะทำท่าไหนจึงจะขอเงินเดือนขึ้นให้เจ้าพวกเสมียนเหล่านั้นได้ง่ายๆถ้าสมเียนคนใดาทาการพลาดพลั้งโดยเลินเล่อแกก็เกือบจะพาตัวไปตะแลงแกง แต่ครั้นบริษัทจะไล่ออกเข้าจริงก็กลับช่วยขอโทษให้สมุแสงผู้นี้ได้อยู่ในบริษัทมาแต่โบรมโบราณและจะอยู่ต่อไปอีกนานถึงเจ้าจะว่าอะไรก็ไม่สำคัญเลยข้าต้องการให้เจ้าเข้าใจเสียว่าเจ้าจะต้องมีสมุแสงเป็นนายไปตลอดชีวิตถ้าไม่ใช่แสงก็ศินไม่ใช่ศินก็แสงไม่แสงก็สีอะไรอันหนึง่งสุดแต่จะเป็นนายเจ้าจนได้ และบางทีนายคนอื่นจะดูร้ายยิ่งกว่าสมุษแสงเสียอีกเจ้าต้องเข้าใจว่าคนในโลกนี้ที่จะไม่มีนายเป็นไม่มีถ้าเจ้าเป็นเสมียนก็ควรมีนายเวนเป็นนายถ้าเป็นนายเวนก็คงมีปหลัดกรมเจ้ากรมเป็นนายขึ้นไปเป็นชั้นๆที่สุดจะเป็นประธานาธิดีประเทศอเมริกาก็ยังมีประชุมชนเป็นนายหรือมีเมียเป็นนายหรือที่สุดหมาก็เป็นนายได้ ถ้าราคามันตัวละสิบช่างเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าทำใจให้กลับรักสมุแสงได้เจ้าจงกลับใจเสียถ้าจะกลับไม่ได้ก็ตามใจแต่การที่เจ้าไม่รักแกนั้นอย่าให้เป็นมูลเหตุให้แกเกลียดเจ้าได้ความติเตียนและความยกย อ, อ ก, ก็เหมือนผลแอปเปิลและวัตถุทั้งปวงที่หนักกว่าอากาศควรจะตกจากเบื้องสูงลงมาเบื้องต่า ตาม law of gravity กฎของแรงโน้มถ่วงนะคะควรจะตกนายเวนไปถูกเสมียนจะเหาะจากเสมียนไปกระทบนายเวนนั้นไม่ได้ผลแอปเปิลที่หล่นจากต้นจะลอยขึ้นไปข้างบนไม่ได้ด้วยเหตุใดความติและความยอ่อก็ไม่ควรลอยจากผู้น้อยไปหาผู้ใหญ่ด้วยเหตุนั้นเมื่อใดเจ้าทราบแน่ในใจว่านายเวนของเจ้าไม่เป็นรถ เจาก็จงทราบเถิดว่าท่านประหลัดกรมท่านก็ทราบเหมือนกันแต่นายเวรเขาจะมีดีตรงไหนอยู่บ้างเขาจึงไม่ถูกไล่ถ้าเจ้าเข้าใจว่าประลัดกรมเลขาไม่ทราบความเหลวของนายเวรเจ้าก็จะต้องหาความต่อไปถึงเจ้ากรมว่าเขาที่ไม่รู้จักความเขาของประหลัดกรมดังนี้เจ้าจะต้องติเตียนเป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงชั้นพะควัตพรม ไอลูกแอปเปิลของเจ้ามันจะลักเพศจัดนะักกระมังธรรมดาคนที่อยู่ใกล้ชิดกันถ้าเราทำเอื้อเฟื้อเห็นแก่เขาเขาก็คงเห็นแก่เราบ้างเว้นแต่เมื่อเขาเป็นสัตว์ต่างชนิดกับเรานั่นแหละจนใจอยู่เวลาคว้าว่าวท้องสนามหลวงถ้าสายโน้นเขากำลังติดอยู่เราก็ควรหลีกให้เขา ไม่ใช่เพราะเราจาเป็นจะหลีกเป็นด้วยเราเห็นสมควรจะเอื้อเฟื้อแกเพื่อนบ้านและกุลาที่เขากำลังจะรอกมากินนั่นถ้าเราไปเกะกะติดพาเขาตกหัวหกเราจะขอโทษสักครึ่งวันถึงเขาว่าไม่เป็นไรเขาก็ไม่หายโกรธเท่ากับถ้าจะเหยียบปลายเท้าคนที่เป็นตาปลาเข้าแล้ว ถึงเจ้าจะลงหมอบกราบกลางดินมันก็ไม่หายเจ็บแต่ถ้าเราอยู่ดีๆไอกุลาสายโน้นมันมายุ่มย่ามกับเราร่ำไปเราก็เห็นจะไม่ควรทำอะไรนอกจากคอยหลีกมันแลแช่งให้มันตกทุกชาติทุกชาติการที่จะประพฤติอย่างไรจึงจะสมควรกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนั้นจะเปรียบได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าแม่โคของเจ้าเป็นสัตว์ใจหงุดหงิด แต่ถ้าเจ้าไม่ต้องการอันใดนอกจากความสนุกเจ้าจะฉุดหางล้อมันเล่นก็ได้แต่ถ้าเจ้าต้องการน ม, มวัวไม่ต้องการสงครามเจ้าก็คงจะเข้าข้างๆแล้วพูดปลอบโยนมันด้วยถ้อยคําอันอ่อนหวานใช้น้ําเสียงเสียงเดียวกับที่ใช้เมื่ออ้อนวอนแม่สาวสวยของเจ้าที่เมืองนอกให้อนุญาตให้เจ้านั่งถือมือหล่อนเอาไว้สักครึ่งรุ่ง ใช้น้ำเสียงเสียงเดียวกับที่ใช้เมื่ออ้อนวอนแม่สาวสวยของเจ้าที่เมืองนอกให้อนุญาตให้เจ้านั่งถือมือของหลอนเอาไว้สักครึ่งรุ่งอันหนึ่งเจ้าจะต้องเข้าใจตำราสัตว์พอที่จะทราบว่าแม่โคตัวไหนเตะเก่งก็จริงแต่ถ้าปลอบโยนดีๆก็ยอมให้รีดนมง่ายๆและตัวไหนไม่ใช่เตะเก่งอย่างเดียวถึงเจ้าจะนอบน้อม เข้าไปหยุดนั่งพนมมือไหว้ทุกๆสามเก 39, ้าก็ยังเตะอยู่นั่นเองงวชนิดนี้เรื่องรีดนมนั้นเป็นอันยากถ้าจะเข้าใกล้มันก็จะต้องให้มีรั้วขั้นไม่เช่นนั้นขึ้นนั่งบนคบไม้ไว้ก่อนเป็นดีตามที่กล่าวมานี้คงจะทําให้เจ้าเห็นได้ว่าสัตว์บางชนิดเข้าใกล้ชิดทําเล่นกับมันไม่ได้และสัตว์สองเท้าบางชนิด ที่ไม่ควรเข้าใกล้นั้นไม่ใช่ชนิดสมุษแสงซึ่งถ้าเจ้าผิดก็เอะอาออกมาตรงๆหาซ่อนเงื่อนซ่อนเงาทีบหลังรูปหน้าเจ้าไม่การที่เจ้าตีราคาสมุษแสงผิดไปเช่นนี้ข้าก็เป็นที่เสียใจเสียใจแทนเจ้าไม่ใช่เสียใจแทนสมุษแสงเพราะสมูษแสงอยู่มานานทำงานดีมีกตัญยูต่อบริษัทถ้าเจ้าได้ทำงานมานานอย่างข้า เจาจึงจะทราบว่าคนกระตันญูเป็นคนอย่างไรคนรับจ้างทำงานอยู่ในบริษัทที่จะไว้ใจให้รักษาเงินทองได้นั้นมีถมไปแต่คนจะไว้ใจให้รักษาชื่อเสียงของบริษัทได้นั้นมีน้อยตัวนะักอันหนึ่งเมื่อวันซืนเขาแวะเข้าไปเข้าห้างฝรั่งเชิงสะพานช้างได้เห็นของที่เจ้าสั่งเข้าห่อไว้จะส่งไปให้เจ้า ข้าขอให้แก้ดูพบเสื้อเป็นอันมากกับเครื่องแต่งตัวต่างๆเหลือจะบรรยายการที่เจ้าตัดเสื้อคราวละสามโหลนั้นค่อนข้างจะมากอยู่สักหน่อยตัวข้าเองต้องตัดถึงหกคราวจึงจะครบสามโหลแต่ที่เจ้าตัดคราวละมากๆข้าก็ไม่ขัดขวางเพราะเจ้าคงใช้เสื้อไปตลอดชีวิตและความสะอาดเป็นสิ่งที่ข้าชอบใจอยู่คาฝรั่งที่กล่าวว่า คนเราไม่ได้เป็นตัวด้วยเสื้อผ้านั้นก็จริงอยู่แต่ตัวเราในเวลาที่ออกนอกบ้านยอมปรากฏแก่ตาผู้อื่นว่าเสื้อผ้าทั้งนั้นเป็นแต่หัวกับมือเท่านั้นท่านที่เป็นสมถะปฏิบัติโดยทางที่ชอบคงจะกล่าวว่าเสื้อเปื่อนอาจปกคลุมน้าใจบริสุทธิ์ได้ด้วยดีถึงเสื้อข้างนอกจากสุสระน้าใจข้างในอาจตะติงโหงนก็ได้ ถึงเสื้อข้างนอกจะสุกใสน้ำใจข้างในเป็นโพรงกระถมไปการที่ว่าดังนี้ก็จริงอยู่แต่เสื้อเปื้อนหากว่าจะปกคลุมน้ำใจที่สะอาดก็คงไม่ปกคลุมหนังที่ปราศจากที่ใครและถ้าเจ้ามีอาการเปื้อนเปรอะประหนึ่งว่าเมื่อคืนได้นอนกอดหม้อแกงเช่นนี้ถึงเจ้าจะไม่ได้กอดจริงคนอื่นก็คงคิดว่ากอด ความนับถือของลูกม้าค้าขายก็จะเสื่อมถอยลงและเมื่อเจ้าได้ทำให้เขาคิดว่าเจ้านอนกอดหม้ อ, มอกแกงเสียครั้งหนึ่งแล้วเจ้าก็คงไม่มีเวลาที่จะสนิทสนมกับเขาพอที่จะอธิบายให้เชื่อได้ว่าเพราะในหัวของเจ้ามันเต็มไปด้วยความคิดอย่างเอกทั้งนั้นเจ้าจึงหามีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องเล็กน้อยเช่นเสื้อผ้าไม่ ที่ว่ารูปและอาการท่าทางของมันสับปรับเห็นอย่างไรจะเชื่อเอาง่ายๆไม่ได้นั้นก็จริงอยู่ด้วยคนที่มีท่าทางเหมือนจะดีแต่ไม่ดีและคนที่ดูท่าทางจะเป็นคนชั่วแต่กลับเป็นคนดีนั้นก็มีมากแต่ถ้ารูปและอาการของคนมันสับปรับก็ให้มันสับปรับโดยเป็นกําไรแก่เราดีกว่าเป็นกําไรแก่ผู้อื่นทำให้เขาไว้ใจเรา ด้วยเห็นเรามีท่าภาคภูมิดีกว่าทําให้เขาไม่ไว้ใจเราโดยเราสวมเสื้อเปื้อนดินหม้อเพราะในทางทำมาค้าขายถึงการงานของเราจะเรียบร้อยก็ยังไม่พอเราจะต้องมีอาการว่าเรียบร้อยด้วยอีกชั้นหนึ่งเพราะความสําเร็จในทางค้าขายเป็นด้วยทําการเรียบร้อยส่วนเดียวเป็นด้วยทําให้คนอื่นคิดว่าเราเรียบร้อยถึงสองส่วน การที่ข้าพูดถึงเรื่องนี้ให้เจ้าฟังนั้นเพราะเหตุว่ามนุษย์เราที่ดูลักษณะคนตามเขาหน้านั้นมันมีสักหนึ่งในร้อยเท่านั้นอีกเก้าสิบเก้าคนมันดูลักษณะคนอื่นตามเสื้อผ้าทั้งนั้นแต่ข้าจะต้องเตือนเจ้าว่าข้อที่คนอื่นดูลักษณะตามเสื้อผ้าที่เจ้าแต่งตัวนั้นเป็นของดีแต่ถ้าเจ้าดูลักษณะคนอื่นโดยวิธีเดียวกันจะกลับเป็นของชั่วที่สุด ถ้าเจ้าข้างโน้นเขาจะนั่งลงไหวเจ้าด้วยเห็นเจ้าสวมเสื้อห้างก็ดีอยู่แต่ถ้าเจ้าไปมอบกราบใครด้วยเห็นเขาขี่รถยนต์เจ้าจะเป็นคนอับ ป, ปรีไม่เช่เล่นตัวเจ้าเองจะต้องมีนิสัยใจคออันดีเป็นเครื่องหนุนเสื้อผ้าอาภรณ์ของเจ้าและต้องให้แน่ใจว่านายข้างโน้นเขาก็เช่นเดียวกับเราเสียก่อนจึงควรเข้ากริ้งเกลือกับเขาได้ ถ้าเห็นมะม่วงปากกระจาดมันน่ากินจงอย่าเชื่อเอาเป็นว่าก้นกระจาดมันจะไม่มีเน่าเลยธรรมดาคนจะซื้อม้าเมื่อดูเผินๆเห็นเรียบร้อยดีก็ยังไม่รีบเฉ่งเงินให้กับผู้ขายแท้จริงมันกลับทำให้พิศวงว่าไอ้ข้อที่ทำให้เจ้าของอยากขายมันจะซ่อนอยู่ที่ไหนจึงจูงม้าออกไปกลางหาวและตรวจดูทุกเส้น พระหนึ่งว่าทราบแล้วว่าเจ้าของเอางัวมาย้อมติดหางและผมคอหลอกขายว่าเป็นม้าเป็นแต่ยังจับไม่ได้เท่านั้นคลั่นตรวจจับว่างัวไม่ใช่แน่แล้วก็เอาเครื่องเทียมให้ลากรถไปรอบถนนสาราแดงเชื่อแน่ว่าในนาทีหน้าคงขาหักหรือคงพ่าห้อหรือคงหลบตกท่อหรือคอเป็นลวดดอกไม้ไหว หรือหยุดยันกรานหรือทำบ้าอะไรอย่างหนึง่งขันกลับมาถึงที่ไม่มีอะไรเสียหายแลตรวจซ้ำทราบว่าไม่ใช่งวัวแต่งตัวปลอมแน่แล้วก็ต่อให้ลดราคาลงมาแปสิบบาทเพราะกลัวว่าอะไรจะหลงหูหลงตาไปบ้างการที่จะคบคนกับการซื้อม้า ก, ก็เหมือนกันต่อเมื่อได้สังเกตสังกาทดเนื้อลองใจกันตลอดแล้วจึงควรครบค้ากันได้สนิท แต่ส่วนสมุแสงนั่นข้าดได้ทดลองมันหนักกว่าหนักแล้วให้เจ้าเชื่อเอาทีเดียวเถิดถ้าไม่เช่นนั้นเจ้าจะเสียใจลงนามจ้างวางรำดิฉันชอบจดหมายฉบับนี้มากเลยนะคะเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการดูคนแล้วก็คบคนเป็นการพูดถึงธรรมชาติของมนุษย์ ว่าเรามักจะตัดสินคนอื่นที่รูปลักษ์ภายนอกกันเป็นส่วนใหญ่เสื้อผ้าอาจจะดูไม่สำคัญแต่เวลาที่คนเห็นเราถ้าไม่รู้จักกันจริงๆเขาก็จะเห็นเขาก็จะดูเฉพาะรูปลักษ์ภายนอกคือจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแต่ขณะเดียวกันจางวังรำก็สอนลูกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะดูคนหรือว่าตัดสินคนจากเสื้อผ้าแต่ว่ากับคนอื่นเราห้ามเขาไม่ได้เอาละคะ่ะ พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะไปอ่านจดหมายฉบับที่หกสนุกเลยค่ะฉบับนี้เพราะว่าจางวังรำเขียนถึงนายสนเมื่อได้ทราบว่านายสนคิดจะมีเมียค่ะสักครู่ช่วงหน้าค่ะ องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเพลงที่เปิดให้คุณได้ฟังในช่วงขั้นรายการนะคะชื่อเพลงว่าคำหวาน เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโหมโรงนะคะคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค่ะกับเรื่องจดหมายจางวางรํพรณนิพนธ์ของนอมสอกรมมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะคะกำลังสนุกเลยค่ะอยากให้ฟังฉบับที่หกนะคะ โดยเฉพาะใครที่กำลังคิดอยากจะแต่งงานอยากมีเมียต้องฟังค่ะต้องฟังพลาดไม่ได้คุณสามารถจะติดตามเรื่องราวน่าสนใจจากห้องสมุดแห่งนี้ได้เป็นประจำนะคะห้องสมุดที่คุณสามารถจะเข้าถึงเข้าฟังเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าสัญญาณเน็ต ด, ดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวเราไปอ่านจดหมายของนอมอสอกันเลยนะคะจดหมายของจางวังรัมที่จะสอนลูกชายเมื่อลูกชายคิดจะมีเมียค่ะ บที่ 6. เขียนถึงนายสนผู้บุตรเมื่อได้ทราบว่าลูกชายคิดจะมีเมียทุ่งสงวันที่21พฤศจิกายนถึงเจ้าสนผู้บุตรทุ่งสงนี่คือนครศรีธรรมราชนะคะแสดงว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพ ข้าได้ทราบจากหนังสือของเจ้าว่าเจ้าคิดอ่านจะมีเมียและทราบในเวลาที่กิจธุระเบาบางจึงตั้งใจจะใช้เวลาว่างในทางตักเตือนเจ้าบ้างเพราะการที่เจ้าคิดนี้เป็นของสําคัญในชีวิตมนุษย์สําคัญที่ต้องทําสําคัญที่ต้องทําให้ดีและสาคัญที่ต้องทําด้วยมีความรักเป็นเหตุความรักในที่นี้ หมายความว่ารักระหว่างเพศอาจแบ่งได้เป็นสามประเภทซึ่งจะได้เพียรอธิบายโดยโวหารของข้าดังต่อไปนี้ความรักประเภทที่หนึ่งเป็นความรักอย่างเทวดาเกิดเพราะหมายสริงคารซึ่งเล็งเอาเมถุนโดยเฉพาะถ้าจะพูดไม่ อ, อม้อมไม่ค้อมความรักชนิดนี้คือความรักของหมาในเดือน1ิบสองนั่นเอง ไม่เป็นของประจําใจยั่งยืนเป็นความประสงค์ชุ่นแล่นเท่านั้นการที่ตั้งชื่อความรักประเภทนี้ว่าเป็นความรักอย่างเทวดานั่นก็เพราะปรากฏว่าความรักในหมู่เทวดาเป็นไปเพื่อเมถุนล้นล้วนเห็นได้จากข้อที่นางฟ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างสาวพรหมจรีอยู่เป็นนิดแลเทพพบุตรกับเทพธิดาเป็นผัวเมียกันทั่วๆวไป ไม่ประจำคู่เพราะมีข้อที่นางฟ้าเป็นสาวพระมารยอยู่เสมอนั้นเป็นเครื่องป้องกันความแก่งแย่งอยู่แล้วถ้าจะกล่าวอย่างไม่เกรงใจเทวดาความรักชนิดนี้ก็มิใช่อื่นคือสริงคารอย่างมานั่นเองความรักประเภทที่สองจะตั้งชื่อว่าความรักอย่างไทยเป็นความรักอย่างอุ่ยอุย เป็นไปเฉยๆไม่ใช่ไฟเปลวสีขาวหญิงกับชายที่ไม่ทันคุ้นเคยกันไม่วิสาสะต่อกันรู้จักกันอย่างพอเห็นเห็นกันเกิดสเสน่หาได้ก็โดยความรักประเภทนี้ผู้รักยังมีใจเป็นอิสระไม่อยู่ใต้อำนาจความรักสนิทนักนับว่าใจยังเป็นไทยอยู่ ความรักประเภทที่สามเรียกว่าความรักอย่างธาตุเป็นความรักอย่างอุดมเป็นไปเต็มเปี่ยมในใจมุ่งตรงอยู่จำเพาะคนเดียวจะแยกให้คนน้นนิดคนนี้หน่อยก็แยกไม่ได้บุคคลที่ตกอยู่ในความรักประเภทนี้ก็คือเป็นธาตุแห่งความรักและเป็นธาตุยิ่งธาตุน้ำเงินเพราะเป็นธาตุด้วยความเต็มใจ มีได้คิดเบี่ยงบ่ายหาความเป็นไทยเลยความรักชนิดนี้เกิดได้ต่อเมื่อหญิงกับชายคุ้นเคยรู้จักนิสัยใจคอกันดีและเป็นที่นิยมซึ่งกันและกันเป็นความรักอย่างวิเศษเจ้า ก, ก็เป็นผู้ที่ได้ร่ำเรียนมามากอาจเข้าใจได้ว่าความรักอย่างเทวดาความรักอย่างไทยและความรักอย่างธาตุนั้น คิดกันอย่างไรแต่ข้าไม่หวังว่าข้าอาจอธิบายให้คนเข้าใจได้ทั้งหมดเพราะคนบางคนอ่อนความสามารถเข้าใจบางคนอ่อนความสามารถอธิบายและถ้าอ่อนต่ออ่อนเข้าด้วยกันทั้งสองขัง้นก็ไม่มีเวลาเข้าใจกันในโลกคนเราโดยมากเคยอบรมมาในความรักไม่ใช่อย่างทาต ได้เป็นคู่กันก่อนที่ความรักอย่างนั้นมีเวลาจะเกิดได้ตามวิธีโบราณซึ่งยังเป็นไปมากแม้ในเวลานี้หญิงกับชายจะได้รู้จักกันก่อนแต่งงานก็เพียงได้เห็นกันห่างๆถ้าเกิดความรักก็เพราะรักหน้าและแต่งงานกันเพราะหน้าเป็นนายประกันว่าความรักอย่างธาดจะเกิดภายหลัง แต่ถ้าไม่เกิดจะลงโทษตบต่อยนายประกันก็ไม่เป็นกรรมที่บุรุษพึงทำจะฟ้องร้องปรับปรุงอะไรก็ไม่ได้วิวาหะชนิดนี้ไม่ใช่ชนิดที่ดีจริงแต่เป็นชนิดที่เป็นไปโดยมากเพราะตามวิธีโบราณ น, นั้นหญิงถูกซ่อนชายถูกกันไม่ใครมีโอกาสที่จะบำเพ็ญให้ความรักอย่างทาตเกิดขึ้นได้อีกประการหนึ่ง คนบางคนไม่มีน้ำใจเป็นพื้นที่จะเพาะพืชความรักชนิดนั้นให้เกิดการวิวาห์ปราศจากความรักนั้นมีคำกล่าวว่าเหมือนทองหยิบที่ลืมใส่น้ำตาลแต่ความรักอย่างทาดนั้นแม้ตามวิธีโบราณก็มีทางที่เกิดได้คือหญิงแลชายที่เป็นพี่น้องกันย่อมจะรู้จักกัน มีโอกาสเข้าใกล้คิดกันได้และความรักก็อาจเกิดข้อนี้คงจะเป็นเหตุเหตุหนึ่งให้พี่น้องแต่งงานกันมากลูกชายท่านผู้พี่ก็แต่งงานกับลูกสาวท่านผู้น้องลูกชายท่านผู้น้องก็แต่งงานกับลูกสาวท่านผู้พี่ในวงเล็บว่าเว้นแต่เมื่อแต่งงานกับลูกสาวเจ้าสัวเศรษฐีโดยความรักประเภทหนึ่ง คือรักความมั่งมีของเจ้าสัวผู้เป็นพ่อตาแต่ถ้าจะกล่าวตามตำราผสมสัตว์วิวาหะในเหล่าพี่น้องนั้นไม่ใครจะดีนะักเจ้าคงจะรู้โอวาทที่ปั้นให้แก่คนทั้งหลายที่กำลังคิดจะแต่งงานเป็นโอวาทคำเดียวว่าอย ah ่าเท่านั้นโอวาทคำนี้ ไม่ใช่โอวาทที่ข้าให้แกเจ้าเพราะข้าเป็นคนอุดหนุนการแต่งงานและอยากให้คนแต่งงานกันเพราะความรักเป็นเครื่องชูให้โลกสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแต่ความรักนั้นจะต้องเป็นความรักชนิดหกสิบแรงม้าจึงจะดีจริงอ่าววาทที่ พูดถึงปัซนนะคะอันนี้ดิฉันลองพยายามถามผู้รู้นะคะได้รับคาตอบว่าอาจจะหมายถึงนิตยสารในสมัยนั้นค่ะเป็นนิตยสารรายสัปดาห์นะคะเป็นนิตยสารคล้ายๆกับที่มีอารมณ์ขัน เป็นรายสัปดาห์แล้วก็คงจะมีการพูดถึงคําแนะนำในการแต่งงานโดยบอกแต่เพียงว่าก็สั้นๆเลยคืออย่าแต่งงานเท่านั้นแหละอ่ะทีนี้ฟังต่อนะคะส่วนแม่สาวที่เจ้าไฝ่หาอยู่นั้นจะเป็นอย่างไรข้าก็ยังไม่ทราบถ้าถามเจ้าเจ้าก็คงจะบอกว่านางเทพธิดาล่องฟ้ามาเดินดิน รูปก็งามนามก็เพราะเหาะก็เกือบจะได้ถ้าเจ้าเคยอ่านและจำสติลได้เจ้าคงจะกล่าวว่า to love her was a liberal education แต่ก็ยังไม่ทำให้เรารู้จักอยู่นั่นเองเพราะการกล่าวโชมและกล่าวคุณเช่นนี้เหมือนกันหมดในจำพวกที่ชายกำลังรักหญิงถ้าจะแปลกกันก็แต่ถ้อยคำแลโวหารเท่านั้นความอย่างเดียวกัน ถ้าสีปราดกล่าวก็คงกล่าวเป็นโครงเร็วๆหรือมิฉะนั้นเป็นฉันที่เพราะไม่จับใจถ้าสุนทรผู้กล่าวก็คงกล่าวเป็นกรอนตลาดซึ่งค่อนข้างดีหรือเป็นโครงที่ระคายหูเป็นที่สุดถ้านายเปยนักเพลงชอยกล่าวก็คงขึ้นต้นว่าปังชาแต่ข้ากำลังนึกถึงแม่สาวคนหนึ่งซึ่งจำชื่อไม่ได้ที่แต่งตัวศีนินอ่อนพบกันเมื่อวันไปดูละครประมาณสามเดือนที่แล้วมา และถ้าเป็นแม่สาวคนนั้นข้าก็ออกจะพอใจเพราะจำได้ว่าหล่อนเป็นเด็กหน้าเอ็นดูอ่อนโยนพองามและพูดจาอย่างเด็กมีความคิดเห็นจะพอให้ความสุขแก่เจ้าได้เวลานี้เจ้าได้เงินจากบริษัทเพียงเดือนละห0ร้อบาทแต่เงินเดือนวันละยี่สิบบาทเท่านั้นถ้ามีหญิงที่รู้จักซื้อเป็นผู้จัดซื้อให้เจ้าก็อาจซื้อความสุขได้มาก ยญิงกับชายที่รักกันอยู่ในกระท่อมมีสุขกว่าหญิงกับชายที่อยู่ด้วยกันในตึกใหญ่ปราศจากความรักแต่คนที่รักกันถ้ามีเงินพออยู่เรือนที่ดีกว่ากระท่อมได้ก็ควรอยู่และเงินเดือนห0ร้อยบาทนั้นถ้าแม่เรือนดูแลดีก็ไปได้ไกลแต่ถ้าแม่เรือนไม่ดีจะเดือนละห0ร้อยบาทหรือหกพันบาทก็คงไม่เป็นเรื่องทั้งนั้น การมีผัวมีเมียจะยกเอาเรื่องเงินขึ้นมาเป็นข้อสำคัญยิ่งสิ่งอื่นนั้นไม่ควรไปแน่แต่ที่จะไม่คิดถึงเสียเลยก็ไม่ควรเหมือนกันหญิงชายคู่ใดไม่ได้คิดถึงเงินเลยในเวลาช่วงก่อนแต่งงานไซส์เมื่อแต่งแล้วมักจะต้องคิดถึงมากที่สุดคือคิดว่าจะได้ที่ไหนมาให้พอใช้หรือคิดว่าเงินที่หาได้นั้นจะใช้อย่างไรจึงจะพอ คำว่าหาได้พอดีกับใช้และใช้พอดีกับหาได้นั้นเป็นสองอย่างอยู่แต่ถึงจะสองอย่างก็เหมือนกันในข้อที่ต้องคิดมากๆกล่าวการเลือกคู่ชายโดยมากใช้ตาเป็นเครื่องจูงใจถ้าตาเห็นงามใจก็มักจะชวนให้เห็นดีไปด้วย การที่เป็นดังนี้ก็ควรแล้วเพราะความไม่จำเรินตาเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาแม่สาวบางคนเมื่อเข้ามาปนในภาพความงามของโลกก็ทำให้ภาพนั้นเสียเหมือนหมึกหกรถและการแต่งงานกับแม่หมึกหกนั้นกล่าวได้ว่าขึ้นต้นความเทียมคู่ด้วยความไม่จำเรินชนิดหนึ่งคือความไม่จำเรินตานับว่าขึ้นต้นไม่ดี เสียเปรียบเหมือนมา้าแข่งที่โกงเวลาออกต่อไปภายหน้าสามีอาจเห็นความงานเป็นข้อไม่สำคัญและมีความชื่นชมในภรรยาของตนเพราะแม่หมึกหกเป็นคนบำรุงความสุขดีก็เป็นได้แต่ความข้อนี้ไม่แก้ข้อที่ว่าด้วยความไม่เจริญตา ส่วนการแต่งงานกับแม่สาวที่มีรูปสมบัติวิเศษนั้นขึ้นต้นด้วยความจําเริญตาก็จริงอยู่แต่ต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ทํานายได้บ้างแต่ด้วยวิธีใช้วิจารณญาณในเวลาก่อนกล่าวความประสงค์ขอเป็นคู่เท่านั้นถ้าไม่ทราบเสียก่อนแม้จะไปทราบภายหลังถ้ามีอะไรที่อยากจะแก้ให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนไปได้มากนะักผีเสื้อนั้นเป็นมแมลงที่งามทั้งสีและลวดลายบนปีก จนชั้นบินก็หน้าเอ็นดูนักหนาแต่ไม่ปรากฏว่าเป็นประโยชน์อะไรในเรือนเลยถ้าใครแต่างงานกับแม่สาวชนิดผีเสือ้อก็คงจะได้แต่ความจำเรินตาแต่อย่างเดียวแม่ผีเสื้อบางคนนับว่าเป็นเครื่องประดับเรือนได้บ้างบางคนแก่ใจหงุดหงิดไม่ยอมเป็นด้วยซ้ำ หลังจากนั้นนะคะจางวังรำเนี่ยก็ได้สอนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้หญิงอีกหลายข้อค่ะดูเวลาแล้วไม่น่าจะทันนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนกันลกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณได้ฟังกันต่อนะคะว่าจางวังรำเนี่ยถ่ายทอดวิทยายุทธ์ในการเลือกเมียให้กับลูกชาย